นิทานไทยเลดี้เดฟโฟดิเลียกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอนาณาจักรที่งดงามยังมีหญิงสาวคนหนึ่งนามว่าเดฟโฟดิเลียอาศัยอยู่ mm hmm. เธอเป็นคนร่าเริงงดงามและที่สำคัญกว่านั้นคือเธอตัวสูงมาก mm hmm. แม้จะอายุเพียง14แต่เธอก็สูงพอๆกับแม่ของเธอแล้ว นี่ทำให้เธอหญิงพยองและชอบข่มเรื่องความสูงกับเพื่อนสนิทของเธอเจ้าชายบริเลียนเจ้าชายบริเลียนเจ้าชายบริเลียนยุทธกรได้แล้วข้าอยู่นี่เอ้า oh. <c oughs> ข้าไม่เห็นท่านนะ่ะท้าไม่ได้อยู่ในระดับสายตาของข้า <c oughs> ความสูงไม่ได้ทำให้เจ้าเก่งไปซะทุกเรื่องหรอกนะข้าฉลาดกว่าเจ้าด้วยซ้า แน่นอนว่าเขาฉลาดกว่าเจ้าชายบริเลียนใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาไปกับการอ่านหนังสือและร่มเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติและศาสตร์ทุกขแขนงแต่สำหรับเดฟโฟดิเลียแล้วเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องน่าเบื่อเธอชอบหาวนั่นทำให้เขาราคาญอย่างมากเอ้ยหนังสือแล้วก็หนังสือพวกเขาบอกว่าสติปัญญาจะทำให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลขึ้น แต่ทั้งยังไงท่านก็ยังตัวเตี้ยแล้วก็คล้องมองเห็นแต่ความสูงของหมดเท่านั้นนั่นแหละนะแม่ของเธอภรรยาขุนนางมองไปที่เธอด้วยความโกรธเจฟฟรดีลีอย่าพูดกับเจ้าชายหรือว่าคนอื่นแบบนั้นเฉียวนะถึงเจ้าจะสูงแล้วยังไงล่ะยิาราบยังฉลาดกว่าเจ้าอีกเบลเลียนจะพูดแบบนั้นกับผู้หญิงเฉียวนะ เจ้าชายบินเลี้ยนหน้ามุยเขาและเดฟโฟดิเลียชอบล้อเลียนกันและการแบบนี้อยู่เสมอแต่วันนี้ดูเหมือนเธอจะอยู่เหนือกว่าก็ได้เจ้ารู้เอาไว้นะข้าจะไปหาทางให้สูงกว่าเจ้าให้อได้และข้าจะไม่กลับมาถ้าไม่สูงกว่าเจ้าเดฟโฟดิเลียหัวเราะออกมาแต่เมื่อเห็นว่าเพื่อนของเธอจริงจังเธอจึงหยุด แค่ลอเล่นนะ่ะอย่าไปเลยนะแต่เจ้าชายเพียงแต่มองไปที่เธอแล้วเดินจากไปเธอพยายามจะหยุดเขาแต่เขาไม่ฟังราชินีและภรรยาขุนนางได้ยินเธอร้องไห้จึงรีบเข้ามาหาเธอลูกรักเกิดอะไรขึ้นนะ่ ะ, จะเจ้าชายเ็นเลียนบอกบอกว่าเขาจะไม่กลับมา จกว่าเขาเขาจะสูงกว่าค่ะโอ้อย่า ก, กังวลไปเลยเด็กน้อยเดี๋ยวเขาก็กลับมาก็แค่พูดแกล้งเจ้าเล่นเฉยๆนะ่าแต่เดฟโฟดิเลียรู้ดีว่าเจ้าชายบริเลียนเอาจริงและจะไม่มีอะไรสามารถเปลี่ยนใจเขาได้อย่างแน่นอนตกเย็นเมื่อไม่เห็นเจ้าชายน้อยกลับมา ราชาสั่งให้ออกตามหาเขาจนทั่วพวกเขาใช้เวลาตามหากว่าหลายเดือนแต่ก็ไม่พบเจ้าชายเลยอาณาจักรไม่มีทายาทสืบบรลังและเดโฟดีเลียก็ปราศจากเพื่อนรักของเธอทั้งหมดเป็นเพราะค่ะาเาม่ น, าน่าลอเลียนเขาเกินไปเลยเขาจะทำยังไงดีถ้าไม่มีเขาดังนั้นเธอจึงเอาแต่อยู่ในห้องและพยายามจะอ่านหนังสือ และศึกษาทุกอย่างให้มากพอเพื่อจะได้เป็นแบบเขาแต่ไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนเธอก็จบลงด้วยความสับสนและไม่สามารถเข้าใจอะไรเลยวันหนึ่งเธอรู้สึกสิ้นหวังเธอจึงเข้าไปในสวนอย่างเศร้าใจอืมดอกไม้นี่มันใกล้ตายแล้วอ๋ยข้าคงต้องใช้กับมันแล้วสินะ เวทมนต์ในมือของข้ามันจะไม่เป็นอะไรเวทมนต์อะไรงั้นเหรอสนอให้ข้าดูเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ท่านต้องรอดูสิเดฟฟอดิเลียอยากรู้อยากเห็นมากว่าเขาจะทำอะไรและก็เริ่มช่วยเขาด้วยวิเศษมากคุณหนูบางทีท่านอาจจะมีเวทมนต์อยู่ในมือนะท่านรู้ไหมเธอไม่เข้าใจในสิ่งที่คนสวนพูด แต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอก็ได้เรียนรู้วิธีจะปลูกต้นไม้ให้งดงามทุกอย่างดูวสวยงามมากเลยท่านเชื่อในเวทมนต์หรื อ, อยังล่ะไม่นานเธอก็เปลี่ยนความเศร้าของเธอมาเป็นความรักที่มีต่อดอกไม้ในขณะเดียวกันเจ้าชายบริลเลียนยังคงเดินทางไกลแสนไกลเขาเหนื่อยล้าและกระหายน้ำมาก เขามาถึงป่าลึกลับแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีใครเคยพบเห็นมาก่อนอ้นี่อะไรกันใหญ่แมงมุมอย่างนั้นเหรอพวกมันเต็มไปหมดเลยอืออโ อ, โ อ, โ อ, โ อ, โอแล้วทำไมถึงต้องไม่มีล่ะป่าทั้งหมดนี้เป็นของข้าข้าเหรอแล้วนั่นใครข้าก็คือคุนขายาวไงล่ะ แล้วเจ้าชายสกมกตัวน้อยแบบท่านมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเจ้าชายวิลเลียนเล่าทุกอย่างให้กับคุณขายาวฟังและข้าจะไม่ยอมกลับไปจนกว่าจะหาทางตัวสูงกว่าเจ้าหญิงโง่นั่นได้นี่นี่เองน่าสนใจดีนะข้ารู้วิธีจะช่วยท่านได้ แต่มันคงต้องใช้เวลาสักหน่อยนะมันอาจจะใช้เวลาเป็นปีๆเลยละอะข้าทนไหวข้ารอนานแค่ไหนก็ได้ถ้ามาทำให้ข้าสูงกว่าดัฟฝดินเลียก็ดีเห็นพุ่มไม้ตรงนั้นไหมที่มีายแมงมุมสีรุ้งอยู่ทั้งหมดที่ท่านต้องทำก็แค่กระโดดเข้าไปในนั้น แค่นั้นเองเหรอใช่แล้วกระโดดเข้าไปในนั้นแล้วก็รอให้ข้าพาท่านออกมาเจ้าชายบริลเลียนสับสนอย่างมากแต่เขาก็ต้องการที่จะสูงมากเช่นกันดังนั้นเขาจึงกระโดดเข้าไปในใ ย, ยแมงมุมสีรุ้งทันทีโอ้แปลกชะมัดเลยข้าข้าอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเจ้าชายบริลเลียนมายังสถานที่ พิเศษและน่าอัศจรรย์อย่างมากมันราวกับว่ากําลังอยู่ในความฝันที่นี่สวยมากเลยสวัส ด, ดียินดีนต้านรับสูด่ดินแดนแห่งความฝันเจ้าชื่ออะไรเหรอเออข้างนั้นเหรอค่าชื่อเออข้าขาข้าไม่รู้เจ้าชายเบลเลียนลืมชื่อของเขาอย่างที่เห็น สถานที่แห่งนี้ม <from> ีไว้สำหรับความฝันและการเล่นเท่านั้นเจ้าชายตัวน้อยรู้เพียงการเล่าเรียนและเขาไม่เคยเล่นเกมใดๆเลยและคิดเพียงว่าเกมพวกนั้นเป็นเรื่องโง่ไม่นานเขาก็เริ่มลืมทุกอย่างที่เขาได้เรียนมามีเพียงความเพ้อฝันเท่านั้นที่เต็มอยู่ในหัวของเขาเขาเล่นไปเรื่อยๆกับเหล่าวิญญาณแห่งความฝันจนลืมแม้กระทั่งเรื่องของเดฟโฟดินเลียวันหนึ่ง คุณขายาวได้เข้ามาตามหาเจ้าชายไม่นานเขาก็พบว่าเจ้าชายกําลังเล่นอยู่และยิ้มอย่างมีความสุขโอโอโอโอโอทําไมเจ้าชายตัวน้อยที่ข้าไม่ได้เห็นมันนานอืมดูเหมือนว่าจะไม่ได้ตัวน้อยอีกแล้วสินะเจ้าพูดเรื่องอะไรกันข้าเพิ่งพบเจ้าไปเมื่อสองวันที่แล้วเองนะ ท่านคิดแบบนั้นจริงๆเหรองั้นเหรอเจ้าชายท่านอยู่ที่นี่มาห้าปีแล้วถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องกลับบ้านหปีอย่างนั้นเหรอข้าคิดว่าถึงเวลาที่ท่านต้องออกจากความฝันนี้แล้วละวท่านใดนั้นเจ้าชายพบว่าตัวเขาเองกำลังร่วงหล่น เขาตกลงมาบนสนามหญ้าที่อ่อนนุ่มและสดชื่นในสวนที่งดงามแสนอัศจรรย์ข้าจำได้แล้วข้าไปจากอาณาจักรเพื่อหาทางตัวสูงกว่าเดฟโฟดีเลียแต่ข้าหวังว่าข้าจะสูงขึ้นแล้วนะทันใดนั้นได้มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามา เธองดงามและส ง, ง่างามมากในท่วงทํานองการเดินของเธอโออเจ้าชายบริเลียนคุณหญิงดาโฟดิเลียพวกเขากอดกันอย่างแนบแน่นเมื่อได้ยินเสียงพวกเขาราชินีและภรรยาขุนนางรีบออกมาข้างนอกพวกนางมีความสุขมากที่ได้เห็นเจ้าชายบริเลียนโออลูกรักเจ้ากลับมาแล้ว โอดูสิว่าท่านโตขึ้นพอแค่ไหนนะ่ะเจ้าหายไปไหนมาตั้งนานเราออกตามหาเจ้าจนทั่วแต่ก็ไม่พบเลยนะเจ้าชายบินเลี้ยนเล่าการผจญภัยทุกอย่างให้พวกนางฟังพวกนางตั้งใจฟังเขาอย่างดีในวิธีที่เขาเล่าและแสดงออกอ๋อเป็นเรื่องที่สนุกมากไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็เถอะพวกเราก็มีความสุขที่เห็นท่านกลับมาแต่ว่าลึกรัก ดูเหมือนเจ้าเนี่ยจะรูปงามมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนอีกนะออท่านคิดว่าทำไมแมงมุมถึงขายาวได้ขนาดนั้นละ่ะก็เพราะพวกมันชอบหยอกล้อดึงขากันเล่นไงเอ๊ะก็เพิ่งเล่นมุกใช่ไหมเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยดานิ <laughs> สวสวนนี้เป็นของใครกันมันดูงดงามมากเลย ของข้าเองท่าทำมันเองหลังจากที่ท่านหายไปข้าน่ะเศร้าใจมากข้าพยายามจะเรียนให้เก่งได้แบบท่านพยายามอ่านหนังสือทุกๆวันแต่ข้าก็ลืมหมดเลยน่ะข้าขอโทษนะไม่เป็นไรข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยนะที่ทิ้งให้เจ้าอยู่คนเดียวตั้งหลายปีข้าอยากโตขึ้นเร็วเกินไปแต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าการเติบโตต้องใช้เวลาและเราสามารถเติบโตได้ในหนทางที่ต่างกัน เจ้าชายบินเลียนมองไปที่เธอและยิ้มออกมาเจ้าฉลาดและเก่งในแบบของเจ้าแล้วความฉลาดของข้าคงไม่สามารถทําสวนที่งดงามแบบนี้ได้ต่อจากนี้ไปข้าจะไม่จากไดโฟดิีเลียที่ร่าเริงแจ่มใสของข้าข้าจะไม่จากไปไหนอีกแล้วก็อย่างที่เห็นมันไม่สําคัญเลยว่าใครสูงกว่าใครหรือว่าใครฉลาดกว่าใครเราทุกคน ก็มีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันในขณะที่เดฟโฟดิเลียได้เรียนรู้ว่าความเมตตาทำให้เธอพบพรสวรรค์ของตัวเองเจ้าชายบิลเลียนได้เรียนรู้ว่าการร่ำเรียนไม่ได้สำคัญทั้งหมดความสนุกก็ถือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเติบโตขึ้นได้